นัโมตัสสักภิกะวะโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสักภิกะวะโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสักภิกะวะโตอารหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัติสันติปะลังสุขังติติต่อจากนี้ไปจะเป็นโอกาสของการฟังธรรมะ พราะอย่างนั้นแต่ละท่านแต่ละคนให้หน้าพากันนั่งสบายบายทำกายของตนให้สบายสบายอย่าไปเกรงหน้าเกรงหลังอย่าไปเกรงแข้งเกรงขาเราวางกายของเราให้สบายได้อย่างไรแล้วเราวางกายของเราอย่างนั้นเพื่อเราจะไม่ไปเป็น ไ, ไปดิพด้วยความกังวลในร่างกายของเราอีกต่อไปจากนั้นเราก็รักษาใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอย่าส่งใจของเราแสสายยุ่งเหยิงยวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคต เมื่อเรารักษาใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออยู่กับพุทโธซึ่งเราจะยกขึ้นมาเป็นหลักยึดของใจเพื่อไม่ให้ใจของเราเล่ล่อนออกไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็จะไม่กระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอันเป็นเครื่องก่อกวรจิตก่อควนใจของเราเมื่อเรารักษาได้อย่างนั้นแล้วใจของเราก็าจะมีความเยือกเย็นหรือมีความสงอบอยู่ในระดับหนึ่ง ธรรมะที่ท่านแสดงออกไปนั้นก็จะรั่วไหลเข้าสู่จิตใจของเราได้อย่างดียิ่งจิตของผู้ฟังย่อมได้รับความเบิกบานความผ่องใสเพราะการรักษาใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้เองชีวิตการเกิดขึ้นมาของพวกเราทุกท่านทุกคนถ้าเรามาเปรียบเทียบกับบ้านเรือนก็เปรียบดุจเหมือนว่าบ้านเรือนนั้นแม้นจะบ้านเป็นบ้านใหญ่โตเป็นก็ลรือหาดโก้หรูหรา ใหญ่โตโมโหลานอย่างไรก็ตามแต่ปรากฏว่าบ้านเดือนนั้นไม่เคยปัดฝาดชิดถูไม่เคยจัดสิ่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยมีแต่ฟาร์มลุกลุงลังสุกปกโโศกเต็มไปหมดทุกซอกทุกมุมในบ้านแล้วเรามาพิจารณาดูว่าบ้านนั้นแม้นจะเป็นเขาเหัใหญ่โตหรือต่อให้เป็นพระราชวังก็ตามเป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วหรือ จะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนก็ตามเชื่อถือว่าไม่มีใครน่าอยู่อย่างแน่นอนไม่มีใครสบายจากการ น, นั่งจากการ น, นอนอย่างแน่นอนมีแต่จะขยะขยะแขยงลุกลุงหลังเพราะความลุกลุงหลังความสกปรกโสโครกของบ้านเรือนนั้นนั่นเองแต่ถ้าหาแม่บ้านเรือนนั้นไม่ต้องเป็นบ้านขึ้นหาดใหญ่โตโกหรูหราอะไรมากมายไกกองขนาดไหนเพียงแค่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยก็าตามแต่ถ้าหาก มีการปัดฝัดเช็ดถูจัดสิ่งจัดของให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสะอ้านแล้วบ้านนั้นก็น่าอยู่เราจะนอนตรงไหนเราจะนั่งตรงไหนมันก็มีความสบายอกสบายใจนั่งได้อย่างสบายนอนได้อย่างสบายบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่น่าอยู่น่าอาศัยย้อนเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานั้นเราเกิดขึ้นมาแม้เราเกิดขึ้นมาในชาติตระกูลวันณะที่สูงเด่น ใหญ่โตโบรานอย่างไรครอบครัวจะเป็นเกิดขึ้นมาในครอบครัวของยศฐามรดาศักดิ์เด่นบาไหลมีฐานะเป็ น, ห ม, น ม, มหาเศรษฐีหรือแต่จะเกิดขึ้นมาในวันณะของศ า, าสตร์วันณะของพรามก็ตามแต่จิตใจไม่เคยได้รับการอบรมจิตใจไม่เคยได้รับการขัดเกลาเลย จิตใจนั้นมีแต่ความลกลุงหลังสโสมบกโศกไปด้วยอารมณ์เครื่องก่อกวนจีก่อกว น, น, นใจมีมีแต่ความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายหมุดจิดขุนมัวมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความกุ้มอกกุ้มใจอยู่ตลอดแล้วชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าอยู่ที่ไหนชีวิตทั้งชีวิตหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณค่านั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอ ก, กเกิดมาในวันณะไหนก็าตามเนี่ยคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ใจของตนเอง แต่แม้นตนเองจะเกิดขึ้นมาในวัฒณธรรมในสภาพฐานะที่ด้อยกว่าตามจะมาเป็นวัฒ น, น์สูตรวัฒณะจันทานก็ตามแต่จิตใจได้รับการขัดเกลาได้รับการอบรมจิตใจนะั้นมีแต่ความเบื่บานมีแต่ความผ่องใสมีแต่ความเลื่อนเริชีวิตนี้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดเหนือยิ่งกว่าชีวิตของเทวดาเสียอีกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในอาการสามสิบสองครบสมบูรณ์ไม่ไช่บ้บ้าบอดหนวกพิกลพิการทุกสิ่งทุกประการเรามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักสอนที่แม่นยาและถูกต้องบริสุทธิ์เหนือยิ่งกว่าหลักธรรมคำสอนทุกลัทธิทุกาศาสนาในโลกนี้อันนี้ยังเป็นความน่าภูมิ อ, อกภูมิใจของพวกเราทุกท่านทุกคน ที่เราได้เครื่องไม้เครื่องมืออันประเสริฐหรือได้หลักธรรมอันประเสริฐที่จะนํามาอบรมจิตอบรมใจของเรามาขัดเกลาจิตใจของวเราเพื่อให้ชีวิตของเรามีคุณค่าขึ้นมาเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรนอนใจรีบตื่นตัวขึ้นมาเสียแต่แบบนี้แม้การเวลาที่ผ่านมาจะผ่านมากี่ฝนกี่หนาวกี่เดือนกี่ปีก็นานเป็นเวลาที่ผ่านมาที่เราปล่อยปะละเลยเป็นโมฆะในชีวิตของเราสิน้น แต่ถ้าบัดนี้พวกเราสามารถเตือนตัวเราเองได้แม้เวลาที่เสียไปมากมาไก่กองก็ตามแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะรีบเร่งในการอบรมจิตอบรมใจของเรายังไม่ช้าเกินไปแต่ในขณะที่เราจะมาอบรมเราก็ต้องเตือนตัวเราเองอีกเช่นกันแม้เราจะมีความพร้อมทุกสิ่งทุกประการอยู่ก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะประมาทนอนใจไม่ได้เพราะการที่จะมาอบรมจิตอบรมใจก็ต้องอาศัยท่ายขันร่างกายนี่แหะมาเป็นเครื่องมือในการอบรมจิตอบรมใจถ้าเราไม่มีเครื่องมืออันนี้หรือเครื่องมืออันนี้มันสึกล้อไปเสียแล้วเสื่อมไปเสียแล้วแม้เราปรารถนาอยากจะอบรมแส้อยากจะอบรมแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะอบรมเพราะขาดเครื่องมืออันประเสริฐไปและเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือที่เปราะบางมาก พระบริจาพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่าอัเจว่ากิจจะมาตัดปังโกท่านยาบรานังสเสวะนะฮิโนสร้างคานันเตนามห้าเซเนนะมัจุนาฟานตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุว่ามันจะมาถึงเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่เมื่อพยามัจจุราชืิวฟานตายมาถึงเราในวันใดเวลาใดหรือขณะใดาหรืออิทธิบาทใดก็ตามไม่มีใครจะไปต่อต้านอ้อนวอนขอร้องหรือติดสินบนต่อพญามัจจุราชได้ เราจะไปกล่าวอ้างว่าฉันยังมีฉันยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นเด็กให้คอยฉันแก่เท่าสก่อนและฉันค่อยตายงานการของฉันยังไม่เสร็จฉันทํางานทำการเสร็จสก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวสก่อนแล้วค่อยตายหรือฉันมีเงินไปสิบสิ บ, สบงานไปจ้างพยามัจุราชจะสองสามล้านแล้วไม่ต้องตายท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครจะไปต่อต้านมาห้าเศ้นดีนั้นพิจารณาได้ มันมาถึงเราในดิยาบทยืนเราจะไปขอผัดเพี้ยนว่าคอให้ฉันไปนอนซะก่อนแล้วใอยตายก็ยังเป็นไปไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรจะมาพัดบันทกรัรพุ่งได้แล้วแต่ทราบอย่างแน่ชัดแล้วว่าขณะ น, นี้เวลานี้แม้ความตายจะวิ่งไล่เราจะสปากกดแสดงตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถมาครอบงำร่างกายของเราในขณะนี้ได้ ยิงเป็นโอกาสอันประเสริฐเลื่ยิ่งที่เราจะเอาขณะนี้แหละรีบเร่งตื่นตัวขึ้นมามาอบรมปัดฝาดเช็ดถูจิตใจของเราเสียให้มีความสะอาดสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ชีวิตของพวเราเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่น่าอยู่ดังเช่นพระพุทธเจ้าตลอดจนสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านจะอยู่ในฐานะในชาติตระกูลใดวันณนไหนก็าตามชีวิตของท่านประเสริฐที่สุดเพราะอยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วยความผ่องใสอยู่ด้วยความเลิ่อนเดิมจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐเลิยิ่งวิธีการอบรมจิตอบรมใจพระพุทธเจ้ากทรงวางไว้อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยแมย้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะการอบรมจิตอดลงใจของเราด้วยจิตตโพนา เราไม่ปฏิเสธเรื่องข้อปฏิบัติภายนอกซึ่งอันเป็นความคุ้นเคยในหมู่ชาวพุทธเราอยู่แล้วซึ่งการปฏิบัติไอ้ข้อปฏิบัติภายนอกก็เพื่อเป็นการเตรียมติดเตรียมใจให้รองรับการโาวนานั่นเองซึ่งพวกเราชาวพุทธก็ด้วนแต่คุ้นเคยในการให้ทานในการรักษาศีล คือได้มีความคุ้นเคยในการเตรียมกิจเตรียมใจของเราเพื่อภาวนาแต่พวกเรามีแต่การเตรียมพร้อมไว้ยังด้อยหรือยังขาดการภาวนานั่นเองเปรียบประดุดเหมือนชาวนาที่มีแต่ไถมีแต่คาดแต่ไม่ปักดำลงไปเสื้ทนหนึ่งแม้จะมีความยินดีพอใจในเนื้อดิ่งของตนเองว่ามันอ่อนนุ่ม สะอาดสะอาดปรสจากวัชพืชก็ยินดีพอใจชั่วไปเดียวบาดาามันก็รลกลุ่ลางขึ้นมาอีกก็มีแต่การไถาการคาดลงไปอย่างนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏไม่ข้าวขึ้นมาเป็นผลตอบแทนได้เลยถ้าชาวนาเขาเตรียมพื้นดินของเขาดีแล้วด้วยการไถด้วยการคาดดินนั้นมีความอ่อนนุ่มปัาจากวัชพืช พร้อมต่อการปักดำแล้วชาวนารีบเร่งปักดำเมื่อเขาปักดำลงไปต้นกล้านั้นก็จะเลยงอกงามต้นหญ้าวัชพืชทั้งหลายก็ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เพราะมีต้นข้าวปกคุมดินไว้โดยที่ส่วนต้นข้าวนั้นก็จะเลยงอกงามแตกดอกแตกผลมาเป็นผลตอบแทนให้ได้มเมล็ดข้าวมามา่ม า, มาไม้ไก่กองพ่อเราชาวพูดก็เช่นกันพร่ะเราเป็นนับมักเป็นพูดหนักแน่นมั่นคง อยู่ในการให้ทานคือการสละเจือาจาร์เผื่อแผ่ด้วยน้ำจิตนำใจอันมีอย่างสมบูรณ์ในหมู่ชาวพุทธเราเหนือยิ่งกว่าชาวอื่นๆทั้งหลายซึ่งการเจือจา์เผื่อแผ่ออกไปเราเจือจา์ออกออกไปจะมากน้อยอย่างไรก็ตามก็เป็นไปตามกําลังของเราเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนอันนั้นจึงขึ้นชื่อว่าการให้ทานที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันแม้การให้ทานของเรา ด้วยนั้นจ็ตน้ำใจของเราเองแต่เมื่อเราให้ทานไปแล้วตัวของเราเองเดือดร้อนหรือครอบครัวของเราเองเดือดร้อนอันนั้นไม่ใช่ทานที่สมบูรณ์ทานที่สมบูรณ์เมื่อทานไปแล้วบุคคลผู้ให้ทานก็ต้องมีมีความเบิกบานมีความผ่องใสมีความสบายจากการให้ของตนผู้รับก็มีความเบิกบานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขจากการรับนี่จึงเป็นการให้ทานของพระเจ้าเพราะเป็นการเตรียมพื้นฐานของใจ จากนันการรักษาศีลก็คือการอดขั้นต่อกิเลสอันพวกเราล้วนแต่เป็นบุตุชนคนมีกิเลสทั้งนั้นแหละแต่เราก็มีเจตนาที่จะควบคุมกิเลสมีความอดขั้นต่อกิเลสเราจะไม่ปล่อยปละละเลยกิเลสเพราะพวกเราเป็นบุตุชนแต่เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่ ง, ทงถึงหมู่คณะในวงงานในวงสังคม ก็การอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะในสภาพของปุถุชนคนมีกิเลสถ้าเราปล่อยปะละเลยกิเลสแล้วกิเลสก็จะล้นขอบรุนเฉดนำเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการเบียดเบียนในการปิงเกี่ยวกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีแต่ความเศร้าหมองขุนมัวมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไรจากการอยู่ร่วมกันจะหาความสุขมาจากไหน แต่ถ้าพวกเรามีความกดขั่นต่อกิเลสไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขีดเช่น ว, ว่าฟวามโกรธเกิดขึ้นเรามีความกดขั่นต่อกิเลสคามโกรธไม่ให้มันล้นขอบล้นเขียดนำมาจนนำกายวาจาของเราเป็นเครื่องมือของมันในทางดาางาง่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างแม้กิโลกิเลสความโกรธไม่หมดดับไปจากใจแต่มก็ไม่มีไม่เพิ่มโทษขที่มาเราก็ไม่มีไม่มีความกังวลในเวรในภัยทั้งหลายในการอยู่ร่วมกัน เพราะนั้นศีลทุกข้อที่พวกเราสมาชทานไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นั้นก็ล้วนแต่จะเกิดมามีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เพราะพวกเรามีความกดดันต่อกิเลสได้ไม่ปล่อยไม่ล้นขอบล้นเฉียดออกมาแต่นั้นเมื่อกิเลสไม่ล้นขอบล้นเฉียดแล้วเราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลเมื่อเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วจะอยู่ในหมู่ชนใดก็ตามจะมากน้อยขนาดไหนล้วนแต่มีความร่มเย็นมีความสงบสงเหบมีความสวยงาม เพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันนั้นถ้ามีสีไปขอบเขตแม้นการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะมาจากไหลเชื่อชาติวัฒนธรรมไหลตระกูลไหลกันอบรมมาก็ตา่างแต่ถ้ามีสีไปขอบเขตอันเดียวกันแล้วสวยงาเหมือนกันหมดร่มเย็นเบิก บ, บานโปองใสเราจะไม่นิยมแยกแยะว่าเ อ, อคนนั้นมาจากตระกูลสูงคนนั้นมาจากตระกูลต่ำแต่เราจะรวมเรียกว่ากลุ่มคณะนี้เรียบร้อยงดงาม ชาวทีโอทีนี้งดงามเรียบร้อยหน้าเรื่มใสก็เพราะความเป็นบุคคลผู้มีศีลนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตจะไม่มีปฏิโภธฟ์ความกังวลเครื่องก่อวก่นก่อลบกว น, น, น, น, นจิตใจของเราให้ขุนมัวให้แสสายยุ่งเยหยิงวุ่นวายไปกับความทุศีลหรือความตนี เมื่อจิตใจมีความเบิ่บานแล้วเขาเปียบประดุดเหมือนพื้นนาที่ได้รับการไถได้รับการคาดพร้อมต่อการปักดำเอาเมื่อเราเตรียมผื้นใจของเราดีแล้วเราก็มาปักดำลงไปด้วยการภาวนาการภาวนาในเบื้องต้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ากิจของบุตเราเองนะั้นเราปล่อยให้มันอยู่เฉยๆโดยเฉพาะตัวของมันเองไม่ได้ พอตื่นขึ้นมาแล้วมันกระแสสายยุ่งเหยืงวุ่นวายไล่ไปตามความนึกคิดปรุงแต่งกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอารมณ์ที่ขุนมัวอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีหรือเรื่องราวที่เป็นอุศลมันจะดูดิ่มฝังลากลึกภายในจิตในใจของเราจนเับปีกแวกหลุดไม่สามารถหลุดออกมาได้จิตใจก็มีแต่ความเศร้ามองขุนมัว นี่แหละเป็นเครื่องรกลุงลังสกปรกโสโครอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราที่จะหาความสุขไม่ได้เลยบางคนที่ปล่อยปละละเลยให้อารมณ์เรื่องราวครอบงำจิตใจกุ้มอกุ้มใจคับแข้งใจเศร้าหมองขุ่นมัวปล่อยปละละเลยจนเกินกำลังของจิตที่จะรับได้เป็นม้าไปต่อหน้าต่อตาก็มี จนบางคนอยู่ในอัตภาพของตนเองไม่ได้ไปทำอัตตนิวิบาศนํทำลายร่างกายนี้เสียก็มีล้วนแต่ประเภทที่สกปรกโศกโรกลกรุงหลังอยู่ภายในจิตในใจทั้งสิ้นทนต่อความลรลุงหลังนั้นไม่ได้แต่พวกเราท่านทั้งหลายเรามีความตื่นตัวขึ้นมาในสาภาพของชาวพุทธเราดีบเรี่ยงมาอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่แบบนี้ เอาสิทราบดีอยู่แล้วว่าจิตของเราอยู่โดยเฉพาะตัวของมันเองไม่ได้มันจะต้องแสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องการให้มันแสบสายออกไปเราก็ต้องหาหลักธรรมใดมาให้จิตนั้นยึดไว้เพื่อไม่ให้มันรั่วไหลไปตามความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายหลักธรรมที่เราจะยกมาให้จิตยึดไว้นั้นต้องเป็นหลักธรรมที่ถูกจริตวิสัยของเรา พะผู้ที่เจ้าแยกแยะหลักธรรมที่จะมาเป็นหลักยึดของจิตไว้ถึงสี่สิบวิธีที่เราเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบห้องก็วิกรรมฐานใดละถูกจริตนิสัยของพวกเราแต่ว่าในกรรมฐานทั้งสี่สิบนี้มีวิธีหนึ่งที่ถูกเข้ากับได้ทุกจริตนิสัย โดยไม่ต้องไปตรวจตาไต่ตองเลยก็คืออนาปานสติเหมือนยาทั้งตู้ละดีทุกตัวดีทุกประเภทแต่ยาประเภทไหนละถูกจะถูกโรคของเราเราหยับจับให้ถูกโรคของเราแล้วโรคของเราจะหายได้อย่างแน่นอนวิธีการปฏิบัติก็เช่นกันดังเจ้าชายติถตา ก่อนที่พระ อ, องค์จะได้ตัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระ อ, องค์ได้จับอนาปานสติขึ้นมาเป็นอารมณ์ของใจเราในฐานะที่มีพระ อ, องค์มาเป็นครูมาเป็นแบบอย่างของพวกเราเรานำวิธีการของพระ อ, องค์ท่านมาดำเนินตามด้วยการกำหนดอนาปานสติมาเป็นอารมณ์ของใจหรือถ้าจะเพิ่มความหนักแน่น ชัดเจนในลมหายใจเข้าออกยิ่งขึ้นก็มีกุศโลบายขององค์หลวงปู่มั่นองค์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าในขณะที่ท่านภาวนาแต่เก่าก่อนนั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของใจในขณะที่หายใจเข้าก็มีสติกํา ก, กับจิตให้รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีสติกํากับจิตอยู่ให้รู้สึกสัมผัสถึงลมหายใจออกกําหนดอยู่อย่างนี้ ฉะนันว่ามันก็มีความเยือกเย็นมีความมีความละเอียดเข้าไปแต่ด้วยความเบาบางของลมหายใจเข้าออกเมือนเลยทําให้จิตหุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกได้ง่ายองหลวง ป, ปู่ม่านท่านก็มีกุศโลบายสำทับไปด้วยคําบริกรรมว่าพุโทโธเอาคําบริกรรมกํากับไปด้วยกับลมพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออก โดยลมให้ใจเข้าให้นึกบริกรรมไปพร้อมว่าพุทยาวเท่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกกบริกรรมกำกับไปด้วยว่าโทยาวเท่าลมให้ใจออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอยู่อย่างนั้นกำหนดลงไปอย่างนั้นโดยสังเกตดูว่าลมเข้าลมออกมันสัมผัสในจุดไหนในสลาทางร่างกายของเราที่เรามีความรู้สึกชัดเจนเช่นเรามีความรู้สึกชัดเจนถึงการกระทบของลมเข้าลมออกกระทบ อยู่ที่ปลายจมูกผ่านที่ปลายช่องจมูกให้เรามีความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกเรากําหนดจดจอ่อความรู้สึกลงไปที่ปลายจมูกอย่าให้เคลื่อนย้ายในฐานที่กระทบของลมเข้าลมออกกําหนดแน่วแน่จดจอ่อลงไปอยู่ที่ปลายจมูกแม้หลับตายอยู่ก็มืดก็เห็นอยู่เห็นด้วยความรู้สึกของตนเอง กำหนดลงไปผูโ้โถผู้โถอยู่ที่ปลายจมูกแนวแน่มั่นคงอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องไปคํานึงถึงการเวลาไม่ต้องไปคํานึงถึงข้างหน้าข้างหลังให้อยู่กับความ ร, รู้สึกในลมหายใจเข้าหายใจออกผู้โถผู้โถดีเท่านั้นด้วยความมีและมีควารมระบัดระวังกํากับจิตให้แน่นถ้าหากมีขณะใดสติคือควารมระบาดระวัง เกิดคอนแขนไม่แน่นหรือขาดว่าขาดต่อยมาจิกก็จะหลุดออกจากความรู้สึกของลมเข้าลมออกก็จะร่วไหลเล่ร่อนไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็จะไปกระทบกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆหน้ายินดีบ้างหน้ายินร้ายบ้างกุศลบ้างอกศุศลบ้างสำหรับผู้ที่ฝึกขัดใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารไม่ต้องไปยินดียินร้ายเพราะมันเป็นธรรมดาทุกๆคน เมื่อเริ่มการฝึกหัดเมื่อเริ่มการอบรมเมื่อก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนเพราะว่ายังไม่ชำ น, นิชำนาญในการอบรมจิตอบรมใจด้วยอนาปานะสติแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเราระลึกได้คือมีสติกลับมาระลึกได้ว่าจิตเราหลุดออกไปจากลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็มาเริ่มต้นที่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกใหม่ โดยไม่ต้องไปคำหนึงไม่ต้องไปวิาพาววิจารไม่ต้องไปยินดียินร้ายชอบชังในอารมณ์เรื่องราวต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่จิตออกไปคล้องแวะ ท, ทั้งหลายเหล่านั้นบอกตัวเองให้ได้ว่าทุกสับสิ่งนั้นล้วนแต่มีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับเพราะนั้นความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายจะเป็นกุศ ล, ลหรืออกุศ ล, ลจะเป็นเรื่องราวหน้ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตาม เมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากความไม่อยากเลยเมื่อเราสอนตัวเองได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่จิตเข้าไปข้องแวะล้วไหลไปก็จะไม่มีอำนาจเข้ามาครอบงนจิตของเราเรากลับมาอยู่กระลมหายใจเข้าออกได้อย่างสบายอกสบายใจ เมื่อเรากําหนดอยู่กับลมหายใจเริ่มขึ้นมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพูดโทรพูดโทอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะพักพักทั้งเผลอไปกี่ครั้งแล้วก็เริ่มต้นเท่านั้นครั้งโดยไม่ท้อแท้ไม่ไม่ยอมเขาเมื่อเราหมั่นทำอยู่อย่างนี้เราก็จะค่อยๆมีความชำนิชํานาญคล่องแคล่วในการกําหนดอนาปานสติขึ้นมาเป็นอารมณ์ของใจ เมื่อมีความคุ้นเคยในการกำหนดอนาคตนี่สติมาเป็นอารมณ์ของใจใจก็จะแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะิงจิตมีความแนบแน่นมากเท่าไหร่จิตนี้จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตมามากม้ไก่กองยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจ มีแต่จะจางออกไปจางออกไป จ, างอ อ, ไปจางออกไปจิตนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปสิ่งที่ครอบงําจิตก็จะจางออกไปจางออกไปเท่านั้นก็จะมีความร่มเย็นเบิกบานผ่องใสจะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจดวงนี้แทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เคยครอบงํ า, าใจอยู่เมื่อจิตยั่งมีความเบิกบานความผ่องใสเราก็ยิ่งดูดดื่มในการปฏิบัติในการอบรมจิตอบรมใจเพราะทุกคนป่าชนาความสุข แต่ชีวิตที่การเวลาที่ผ่านมาพวกเราพากระดินน่นร้นทะเยอทะาอยานขวนขวายม า, ามากมายเก่กองก็เพื่อปรารถนาความสุขนั่นเองแต่เราตัวตาดูชีวิตของเราช่วงไหนล่ะที่เรามีความสุขสิ่งที่เราขวนขวายดินน่นร้นเสวี่ยหามันก็ได้มาแต่มันแทนที่จะมีมันมีมันเป็นความสุกลับกลายมาเป็นพานละ กลับกายมาเป็นฟา ร, ร์มพ่อหลุงพนหลังให้พวกเราเราจะต้องบริหารแบกหางดูแลกำกวนข่วงใหญ่เขาเฮที่สุดชีวิตของพวกเราดับวันเพิ่มแต่พานละเพิ่มแต่วามพ่อหลวงพันลั ง, พลงเพิ่มแต่ฟามยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นเพิ่มปัญหามากขึ้นส่วนเรือนกายของพวกเราเริ่ ม, มงมันก็แก่เท่าเสื่อมทรงลงไปแก่เท่าเสื่อมทรงลงไปถึงที่สุดวันหนึ่งฟา ร, รมแต่งดับมาเยือนแล้ว เท่ากับชีวิตของพวกเราที่การเวลาที่ผ่านมาเราวิ่งไล่ความสุขอยู่ตลอด เ, เวลาเลยความสุขก็วิ่งหนีเราห่างออกไปนับวันห่างออกไปห่างไปพอถึงวันแตกดับมาเยือนเราแล้วเป็นวันที่สูญเป่าที่สุดเลยชีวิตเป็นโมฆะทั้งทั้งที่ดิ้นรนทะเยอะทะยานมาด้วยความเด็ดเหนื่อยเมื่อหิวด้วยความปัรถนาแรงกล้าต่อความสุขแต่ก็ไม่เคยสัมผัสกับความสุขที่แท้จริง แต่บัดนี้พอเรามาพาวนาจิตที่เบาบางจากอารมณ์เรื่องราวครอบงามจิตอย่างเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันเบาบางจางออกไปควารมร่มเย็นเบิกบานความผ่องใสเข้ามาหล่อเลี้ยงแทนที่เราเห็นชัดเจนหรือความสุขอยู่ที่นี่แต่พวกเรามองข้ามมาเสียสิ้นหลายปีหลายเดือนหลายปีหลายฝน ผ, ผ่านมาแล้วแต่บัดนี้เราได้มาสัมผัส ข, ของจริงอย่างแท้จริงแล้ว ว่าความสุขอยู่แท้จริงเพี้คือจิตใจของพวเราพอเรามาโวานาเราจะเห็นคุณข้าวาเออพอเรามาโวานาเท่านั้นมีความสบาย อ, อกสบายใจมีความสุขความเบิกบานความผ่องใสยอยู่ภายในจิตในใจของตนเองยิ่งเห็นอย่างนี้แล้วฉันทะความพอใจความยินดีในการอบรมจิตอบรมใจก็เป็นกําลังหนุนขึ้นมาความภาคความเพียรเราก็ไปพิสปิบัติได้มากขึ้นได้อย่างจริงจังขึ้น ความเจริญก้าวหน้าในการอบรมจิตอบรมใจก็ยิ่งจเจริญขึ้นจิตยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปไม่เนิ่นช้าสักวันหนึ่งเมื่อจิตละเอียดไปถึงที่สุดแล้วจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ฟามสงบพอจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบเป็นจิตที่วางทุกสิ่งทุกอย่างที่คล้องแวะกับจิตมาตั้งแต่วันแล้วเปิดขึ้นมา จิตนี้จะวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งร่างกายนี้จิตก็วางหมดสิ้นร่างกายนี้มีก็มีมีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะจิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะเลยอดีตอนาคตไม่มีมีแต่จิต ด, ดวงเดียวล้วนๆคือธาตุรู้ดวงดวงเดียวล้วนพาสิทธิ์ที่ยกขึ้นมาในเบื้องต้นว่านัตถิสันติตารางสุขขัง ที่พระนิจเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีก็แสดงว่าพระนิจเจ้าพระองค์กทรงยอมรับความสุขกื่นคือฟื้ความสุขโลกในทางโลกนั่นเองความสุขจากการบุณทั้งหลายที่ชาวโลกพากันดิ้นรนขนขวายแสวงหาปาฏิหาริย์อยากได้อยากมีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายจนบางท่านบางคนสละเป็นสละตายยอมเป็นยอมตายเพื่อให้ได้มา ในรูปนะั้นในเสียงนะั้นในกลิ่นนะั้นในรสนะั้นในสัมผัสนะั้นรวมความก็คือการบุคคลทั้งห้านี้เองซึ่งพ่อเราก็สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่รู้ียงสาตั้งแต่เกิดมาแล้วมันเป็นอย่างไรรสชาติมันเป็นอย่างไรแต่จากควาสมสงบเรายังไม่เคยได้สัมผัสเลยพอจิตได้อย่างเข้าสู่ควาสมสงบจากนี้เรามีข้อมาเปรียบเทียบ ว่าคร์มสงบกับการบุคคลทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรมีคุณค่าเหนื อ, อยิ่งกว่ากันก็เปรียบเปรยเหมือนเอาเพชรกับขี้ควายมาเปรียบเทียบกันนั่นนะว่าอะไรจะมีคุณค่าเหนื อ, อยิ่งกว่ากันมันเห็นอย่างชัดเจนแม้คนโง่ ก, ก็ยังเห็นว่าเพชรนี้มีคุณค่าเหนื อ, อยิ่งกว่ากองขี้ควายจากนั้นเมื่อจิตมันลงใจในคร์มสงบแล้วแม้ความสงบเพียงแค่สงบด้วยความระงับ กิเลสไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้ยังมีความสุขความเบิร์บานความอัศเจนขนาดนี้แล้วถ้าความสงบระงับดับสิ้นไปจากกิเลสกันเป็นตัวสุบุทัยเหตุได้เกิดทุกข์ดับสิ้นไปจา ก, กจิตจากใจของเราจะมีคุณค่าเหนือยิ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่แม้จิตเรายังไม่สัมผัสถึงจุดนั้นแต่เราก็มีความเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระเจ้าทุกสิ่งทุกประการ จากนั้นการบุมันนะบุ่งมัม่นในการ ป, รปฏิบัติมันไหลเข้ามาเต็มตัวไม่ไมีคมว่าวันไวต่ออุปสรรคขัดขวางทุกสิ่งทุกประการอีกต่อไปพอจิตที่อยู่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตนั้นจะถอนออกมาจากความรวมตัวคือความสงบนั้นถอนออกมากับเพิ่อมออกมามาสัมผัสรับทราบในเรื่องร่างกาย ในเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องเวทนาความเจ็บปวดความเมื่อยหิวอะไรต่ออะจิตเริ่มสัมผัสรับทราบได้พราะจิตที่ถอนออกมาจากความ ร, รวมตัวในขณะที่จิตรวมตัวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตพอจิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะสิ่งใดใดในโลกนี้ถ้าจิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะแล้วแม้มีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตร่างก า, า, ายนี้แม้จิตไม่ได้ออกมาคล้องแวะกับร่างกายร่างกายนี้มีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิต จิตจะอยู่เฉพาะจิตเองพอจิ ต, ออจตถอนตัวออกมาจากความรวมตัวความสงบก็มาคล้องแวะเกี่ยวข้องกับร่างกายก็มาทราบถึงอาการงานรับทราบถึงอาการไม่ว่าอาการจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแต่จิตนี้จะแตกต่างจากจิตแต่เก่าก่อนอย่างเทียบกันไม่ได้จิตที่มีความรวมตัวสูงความสงบแล้วจิตนี้จะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกกันว่าสมาธิ จากนั้นชีวิตของพวกเราจะแตกต่างจากก่อนนีอ้อย่างสุดกูแต่ก่อนนี้อะไรมาสัมผัสลั่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตเป็นผู้รับทราบจิตก็หวนไวเอ็เอียงไปกับสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสสิ่งที่มากระทบมาสัมผัสหน้าโกรธก็โกรธจะเป็นเรื่องเป็นเลา่า หน้าโลภก็โลภไปเป็นเรื่องเป็นราวหน้าหลงก็หลงไปเป็นเรื่องเป็นราวหน้ารักกันรักก็ปเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดเลยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับการกระทบการสัมผัสอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นอิสระในตัวตนของกระตนเองไม่ได้เลยวุ่นวายไปกับการกระทบสัมผัสนั่นแหละนี่แหละคือจิตที่ลกลุ่มลังสุ ข, ขโศกโศกไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่งตางๆอยู่ตลอดเวลา แต่พอเรามาขัดเก้่าแล้วมาปัดฝาดเช็ดตูขัดเก่าจิตใจของเราด้วยจิตตะโทนาจิตที่อยู่กับเราหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวาคคะตอนจิตมีความละเอียดเข้าไปจิตเริมสะอาดยิ่งจิตมีความสงบแล้วจิตมีควาเมเบิกบานความผ่องใสที่สุด มีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่วันไวเอะเอียดไปกับสิ่งที่มาสัมผสัสอีกต่อไปมีแต่ความเป็นปกติตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตที่มีความเป็นปกติตั้งมั่นจะ อ, ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยกขายรอบคอบซึ่งเราเรียกกันว่าปัญญา จากนั้นชีวิตนี้จะดําเนินไปคู่เคียงกับปัญญามีปัญญาคู่เคียงไปกับการดําเนินชีวิตการดําเนินชีวิตนี้นี่มีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความเจริญเข้านหน้าทั้งในข้อปฏิบัติท่านยกขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบก็คือความคิดที่ถูกความคิดที่ถูกก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือปัญญา นี่หลเราได้สร้างสามารถสร้างปัญญาขึ้นมาในจิตของเราแล้วปัญญาดวนี้เราจะมาขัดเกลาจิตใจของเรานับวันยิ่งมีความสะอาดมีความเบิกบานมีความผ่องใสขึ้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยความด้วยด้วยโมหะความ ร, รุ่มหลงที่ครอบงำจิตใจของเราม า, มากี่พ ก, กี่ชาติจะถูกปัญญานี่แหาชำระปัดฝ่าเช็ดถูออกไปออกไป เจที่มีความเบืบ่อปามีความผ่องใสการดําเนินชีวิตของพวกเราแม้เราจะอยู่ในสภาพฐานะใดก็ตามอยู่ในวั น, นะไหนก็ตามจิตใจที่มีความเบืบ่อปามีความผ่องใสชีวิตนี้มีแต่คุณค่าทรงคุณค่าที่สุดเพราะจิตใจนี้มีทำเบินเครื่องอยู่สิ่งเหล่านี้ล้วนจะเกิดขึ้นมาจากความไม่นอนใจของพวกเราที่พากันอบรมจิตอบรมใจของเรา พากันชำระปัสฝาดเช็ดถูจิตใจของตนเองด้วยจิตตะภาวนาเม้นว่าพวกเราจะมีเป็นบุคคลผู้ยังมีภาระหน้าที่การงานครอบครัวมากมายไก่กองอะไรขนาดไหนก็ตามอย่ายกเอามาเป็นข้ออ้างว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาภาวนาที่จะมาอบรมจิตอบรมใจเลยนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แม้กระทั่งการขนขวายดินลนสเสวงหามาเพื่อลอเลี้ยงร่างกายของเราซึ่งเราแม้เราจะลอเลี้ยงมันอย่างปาณิช ด, ด, ดีอย่างไรมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมโทมถึงที่สุดก็คือความแตกดับเรายังมีเวลาในการขวนขวายดิ่นลนสเสวงหาให้เขาวันทั้งวันบางคนข้ามไปอีกกลางคืนซะอีกเรายังมีเวลา แล้วทำไมเวลาที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราซึ่งไปขอไม่แตกดับบ้างเราจะไม่มีเวลาเลยหรือ เ, เอาอย่างนี้น้อยเราก็สร้างกิจวัตรคือข้อปฏิบัติประจําตัวของเราเองขึ้นมาว่าเอาแม้ภาระของโวเราจะมีครอบครัวมีงานการอะไรอะไรต่ออะไรมากไ ม, ม้ไก่กองเป็นเป็นภาระที่เราต้องรับผิดชอบดูแลแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบกมันอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้น้อยกว่าเวลาก่อนนอนจะหลับจะนอนแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะปองวางผานละงานการทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับผิดชอบมาลงบ้างแล้ว <c oughs> ก็เมื่อเป็นเวลาที่เหมาะสมนี่ว่าเราปองวางผานละทุลละทุกสิ่งทุกอย่างลงแล้วเราเอาเวลานั้นแหละมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองสักคู่หนึ่งก่อนที่จะมาหลับมานอนเพราะนัน <c oughs> ทุกท่านทุกคนล้วนแต่มีเวลาที่จะนอน เราก็ควรจะมีเวลาที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตภาวนาเช่นว่าเอาวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเกี่ยวข้องกับอะไรมามากไมยไก่กองกระตานเนี๋ยตั้งแต่ตื่นนอนมาจนกระทั่งถึงจะดูเวลาจะหลับจะนอนเกี่ยวข้องกับงานการเกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับพาละเงินทองนี่สินไรได้ไรจ่ายไรรับอะไรต่ออะไรวุ่นไปหมดเลย สิ่งที่เราเกี่ยวข้องมาเนั่นแหละก็จะก็จะฝังลากเป็นอารมณ์เรื่องราวต่างๆอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราถ้าเราไม่เคยปัดกวาดเช็ดถูไม่เคยจัดรละเบียบให้แก่จิตเกีใจเลยสิ่งทั้งหลายที่มาที่เรามาเกี่ยวข้องสัมผัสมาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ตื่นนอนมาก็จะรวมเข้าไปสะสมเป็นความโลกลุงลังยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรา ยิ่งเมื่อโรคลุงลังเท่าไรจกีก็จะดูดึงออกความลกลุงลังหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปผนที่สุดก็เลยเป็นคุณง่ายต่อความไม่สบายพอสัมผัสทางในตาหงจจบุ ด, ดิ้งกายหน่อยก็เอา้าไม่สบายใจละกุ้มใจละเสียใจละหงุดหงิดละขุนมัวน่ะมันจะหน้าไปในทางที่ไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเอาเราจะมาเกี่ยวข้องงานอะไราก็ด้วยภาระหน้าที่ของเราเราไปติเศษไม่ได้ แต่เมื่อถึงก่อนเวลาที่หลับนอนแล้วเราเป็นเวลาที่เราโปร่งวางภาระหน้าที่การงานเราก็มาแป๊กตวาดคิดถูอบรมจิตอบรมใจของเราสักครู่หนึ่งพอได้เวลาที่จะนอนเอ้าเราก็มาให้ความสําคัญแก่จิตใจมาเบื้องต้นกันรับตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราเราก็มากราพระไหว้พระเสียก่อนกราพระพูดกราพระทำกราพระสงฆ์กราแล้วลึกถึงพระคุณของพ่อแม่กราแล้วลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ สวดมนต์ไปตามกําลังที่เราพอจะสวดได้เพื่อมาเอาเสียงสวดมนต์มากล่อมจิตกล่อมใจของเราสักครู่หนึ่งหลังจากสวดมนต์แล้วเราก็มานั่งภาวนานั่งตานสบายของเราเรานั่งอย่างไรสบายเราก็นั่งอย่างนั้นเราจะนั่งขัดสมาธิทเท้าฝาวางเท้าทับตัวเท้ า, ทาข้างซ้ายมือข้างข้าวางทับมือข้างซ้า ย, าายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาลงหรือเราจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งยังไงก็ที่เราสะดวกเราสบาย ไม่เป็นกฎตายตัวขอให้เราสบายเท่านั้นเนี่ยเพื่อเราจะไม่เป็นปฏิพศตามกังวลในในร่างกายของเราเองเราก็ต้องจัดให้มันสบายสบายเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เริ่มกำหนดลมให้ใจมาเป็นอารมณ์ของใจเรียกว่ากำหนดอนาบปานสติ เริ่มหายใจเข้าอยู่ยาวแรงๆซะก่อนหายใจเข้านึกในใจกำกับไปด้วยคําบริกรรมพุดธพราหายใจเข้าพูดหายใจออกทอหายใจเข้าพูดหายใจออกทในขณะที่หายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นเราก็กําหนดดูว่าลมเข้าลมออกมันสัมผัสในจุดไหนในสนาระทางร่างกายของเราที่เรามีความ ร, รู้ชัดเจนถึงลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเช่นกระทบสัม ผ, สผัสผ่านอยู่ที่ปลายจมูกจ้องลงไปที่อยู่ที่ปลายจมูกยาเคลื่อนยา้ายจุดสัมผัส ให้จิตแน่วแน่จดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นอย่างอื่นทุกสิ่งนุประการเราจะไม่สนใจเหมือนโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเลยมีเราคือผู้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเมื่อเราเริ่มต้นฝึกขัดลงไปอย่างนี้แล้วนับวันจิตจะเริ่มได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาถ้าใหม่ๆ ม, มันเผลอออกไปเราก็มาเริ่มต้นใหม่เหมือนเด็กที่มันหัดยืนหัดยืนมันล้มแปะมันก็ยืนขึ้นมาใหม่ล้มแปะมันก็ยืนขึ้นมาใหม่โดยไม่คํานึงถึง การล้มนั่นเลยไม่นานเด็กนั้นก็จะยืนอยู่ได้อย่างขังมั่นคงการภาวนาของพวกเราเหมือนกันเมื่อมันจะเพ้อหลุดออกไปเราก็เริ่มต้นอยู่มาเพ้อหลุดออกไปเราเริ่มต้นอยู่มาที่ลมหายใจเข้าพุทลัใหายใจออกโนับวันที่เราเริ่มไปอย่างนี้แล้วจิตจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นพอเรามาภาวนาสักคู่หนึงเราจะมีความ ร, รู้สึกว่า สิ่งที่เราเคยเราคล้องแวะเกี่ยวข้องมาตั้งแต่ตื่นนอนมามาเป็นอารมณ์เรื่องราวไม่ว่าจะชอบจะชังไม่ว่าจะเป็นคว า, ามหงุดหงิดขุนมัวอะไรตัวอะไรต่างๆที่ครอบงาจิตใจของเรามันจ็บจางออกไปจางออกไปจิตเริ่มมีคว า, ามเบิก บ, บานคว า, ามผ่งใสคว า, ามเบาคว า, ามสบายพอถึงเวลาที่เราเลิกจากการภาวนาถาานึงเวลาหลับนอนเราก็นอนลงด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่งใสเพราะเกิดขึ้นมาจากการได้อบรมจิตอบรมใจด้วยจิตอภาวนา เมื่อเรานอนลงไปด้วยจิตใจที่เบื่อบานอิ่มเอิบเบื่อบานโล่งเย็นแล้วนอนนั้นหลับกนลับสนิทตือนขึ้นมาจิตใจอิ่มเอิบเบื่บานทองใสผิวพรรณหน้าตาเบื่อบานทองไสมีสัญลัราสีไปพร้อมหน้านี้ยิ้มแย้มเบิกบานทองใสเกี่ยวข้องกับใครนับตั้งแต่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาลูกหลานก็เกี่ยวข้องด้วยหน้าตาที่เบิกบานแจีมใสโป่องใสอยู่ตลอด เห็นอะไรก็ดีไปหมดได้ยินอะไรก็ดีไปหมดเพราะมันดีไปจากใจแต่ถ้าท่านใดไม่ใส่ใจในการอบรมจิตอบรมใจดังที่กล่าวมานี้วันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรมากุ้มอก ก, อกุ้มใจหงุดหงิดขุนมัวไม่พอใจโกรธบ้างอะไรต่ออะไรมาก็ฝังล่าอยู่ภายในจิตในใจ ใ, ใ, จให้ขุนมัวให้หงุดหงิดให้กุ้มอกกุ้มใจถึงเวลา น, อ, านอนก็นอนเป็นต้นไม้ล้มปล่อยตึมไปไม่มีข้อวัดไม่มีข้อปฏิบัติอะไรเลย นอนลงไปด้วยจิตใจที่มีความมีแต่ความหงุดหงิดขุนมัวบางที่นอนทั้งคืนตื่นเช้าขึ้นมายังสงสัยเมื่อคืนหลับบ้างหรือเปล่าจิตใจมีแต่ความหงุดหงิดขุนมัวผิวพรรณหน้าตาเลยมีแต่ความขุนมัวเศร้าหมองหน้าหงิกหงิกงองอบุดบุดเบี้ยวเบี้ยวหาสังหาราศีอะไรไม่มีเลยพอเริ่มต้นจะไปการเตียดเกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับสามีเกี่ยวข้องกับภรรยาเห็นอะไรก็ฝังหูฝังตาได้ยินอะไรก็ฝังมีแต่ฝังหู เห็นก็ฝังตาอยู่ไปทํางานเหรองานก็มีแต่ฝังจิตฝังใจผู้คนอะไรฝังไปหมดเพราะมันฝังมาจากใจแล้วโหยที่สุดวันทั้งวันจเจอแต่ของไม่ดีไม่เป็นมงคลเลยนี่แหละจิตใจที่ลกรุงลังแม้นชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่ามามาจากตระ ว, วงตระกูลอย่างไรก็ตามหาคุณค่าในการดําเนินชีวิตไม่มีเลย เราทุกท่านทุกคนยังควรจะตื่นตัวขึ้นมาเรียบเร่งให้ความสาคัญในการอบรมจิตอบรมใจของเราเสียแต่แบบนี้เมื่อเรามีจิตใจที่เบิกบานผ่งใสแล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่น่าอยู่ ในบนโลกนี้แม้สภาพแวดล้อมของเราไม่ได้แตกต่างจากเคยๆมาหรอกแต่สภาพแวดล้อมของเราไม่สามารถบล็อกคามงามจิตใจของเราให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปดังแต่เก่าก่อนได้อีกนี่คือเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองจึงขอให้ทุกท่านทุกคนโอเปนนั้นกวนน้อมนําไปป ร, ปรับปฏิบัติชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงธรรมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรกี่เวลาจึง ขงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการเจนีสาธุคือเมื่อปีกายนี้พวกทีโอทีเราก็ได้ร่วมกันร่วมกับทางวัดเรา ซ, ซื้อที่ขยายออกไปคือถ้าโซนของพวกผู้หญิงเนี่ยมันเป็นโซนพื้นราบไม่ไม่ใช่โซนภูเขาแต่ว่าโซนพื้นราดเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เยอะพอประมาณ แต่ตอนนี้พอคุณแม่รันจวนิรักคำแขงเนี่ยซึ่งอยู่กับอาตมามาถึงยี่สิกว่าปีคุณแม่คุรันจวนิรักคำแขงเนี่ยเป็นบุคคลที่สังคมชาวพุทธเราที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยยอมรับยกย่องเจอกระทั่งสหประชาชาติก็ยกย่องเป็นสตรีดีเด่นทางพุทธศาสนาเป็นคนแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยท่านมีความคิดอันหนึ่งท่านบอกว่าผู้หญิงสอนผู้หญิงย่อมเข้าถึงดีกว่าผู้ชายสอนผู้หญิง นี่คือความคิดของคุณแม่เมื่อคุณแม่มีความคิดอันนี้คุณแม่ก็เลยลิเริ่มตั้งธรรมมาตาขึ้นมาคือธรรมะสำหรับเพศแม่เมื่อตั้งกลุ่มธรรมะมาตาขึ้นมาแล้วในขณะที่คุณแม่อยู่เนี่ยกลุ่มธรรมะมาตาก็คือกลุ่มผู้หญิงที่มีความพร้อมในครอบครัวในชีวิตสามารถละวางครอบครัวภาระหน้าที่การงานของตนเองออกมามุ่งหน้าในการปฏิบัติได้จริงจัง ที่ลกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเนี้ยที่มีความพร้อมเขาก็จะไปอบรมกับคุณแม่อยู่เรื่อยเรื่อยปฏิบัติธรรมกับคุณแม่อยู่เรื่อยเรืยแต่จุดอยู่ของเขาเนี่ยตั้งแต่เริ่มการสร้างมาเริ่มการปลูกฝังขึ้นมาเนี่ยก็คือปลูกฝังขึ้นอยู่ที่สวนโงกที่คุณแม่ไปปลูกฝังไว้แต่ปีหนึ่งปีหนึ่งเขาก็จะขึ้นไปที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบ่านหนองไผ่เราตอนนี้หลังจากคุณแม่ท่านล่วงไปแล้วเนี่ย ละขันไปแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่เนี่ยมีพวกองโคโ์คมนตีพวกอาจารย์พวกผู้หลักผู้ใหญ่อะไรตอะไรมากมายใจกองเขาก็เลยมาขอไว้ว่าท่านอาจารย์บ้านพักของคุณโยมเนี่ยขอไว้เถอะเพราะว่าอยากจะรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความเป็นไปของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติธรรมและเป็นแม่ทัพธรรมฝ่ายหญิงเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้หญิงต่อไปเพราะชีวิตของคุณแม่เนี่ยพูดไปแล้วเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากเราอย่าลืมดูความรู้สึกของคนทั่วไปนะความรู้สึกของคนทั่วไปที่มองผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยก็จะมองลงไปในแง่ลบ ถ้าผู้หญิงเข้าวัดเป็นยังเป็นสาวเป็นแทบเป็นอะไรเออเขาผิดหวังมาจากไหนเออเปล่าเออเขาออกหักมาหรือเปล่าเออเขาอะไรหน่อย อ, อันนี้ถ้ามีอายุมากขึ้นโอ้ ย, าอายก็จะมาอาศัยวัดกินหรือเปล่าจะมาอาศัยมันมักจะมองไปในส่วนลบนี่คือสังคมชาวไทยเราที่มองผู้หญิงมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตของคุณแม่รันจูนีละําแพงเนี่ยน่าศึกษายัางไงท่านเกิดมาในครอบครัวของพยาอพระยาพิชยัยรุ่นนเขต คุณหญิงเปลืองเมื่อท่านเกิดมาแล้วเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนของท่านในยุคสมัยนั้นเนี่ยพวกลูกผู้ดีทั้งหลายเนี่ยมักจะให้ลูกสาวเรียนครูเพราะเขาบอกว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ร่มเย็นหรือเป็นอาชีพที่นิ่มนวลไม่ต้องไปผจญภัยเป็นฐานเป็นตำรวจอะไรไปนั้นอาจารย์เรืองของลูกชายคุณแม่ลังจวนก็ไปเรียนครู ท่านจบครูมามาเป็นครูเมื่ออายุสิบเก้าปีเมื่อมาเป็นครูตอนที่ท่านเรียนเนี่ยท่านก็เรียนเป็นนักเรียนประจําของสวนสุนันทาเมื่อท่านจบมาเป็นครูอายุสิบเก้าปีท่านก็เป็นหญิงหญิงรุ่นแรกแรกของประเทศไทยที่ได้ทุนไปเรียนต่ออเมริกาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโท ในยุคสมัยนั้นเนี่ยไปเรือกันอะไรตัอะไร้นาญะลำบากท่านเล่าให้มาโอ้โหะจนภัยไม่ธรรมดาเลยจนไม่ทราบว่าตัวเองไปได้ยังไงทั้งๆที่เป็นผู้หญิงนี่คือชีวิตของคุณแม่แล้วเมื่อท่านจบปริญญาโทรมาจากอเมริกาท่านมารับราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาการรับราชการของท่านก็ได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งกว่าคนรุ่นเดียวกัน การเรียนหนังสือก็มีความรมู้ความความเฉลียวฉลาดหรือความสามารถเหนือยิ่งกว่าคนรุ่นรุ่นเดียวกันการปฏิบัติงานของท่านก็มีความเจริญเข้าหน้ารวดเร็วกว่าคนรุ่นเดียวกันจนท่านได้เครื่องราชเป็นคุณหญิงตั้งแต่อายุสามสิบปกว่าถ้าถ้าท่านแต่งงานเขาก็จะเรียกกันว่าคุณหญิงตั้งแต่อายุสามสกว่าปีด้วยความสามารถของท่านเองแต่นี้ท่านไม่ได้แต่งงานเขาก็เลยเรียกคุณศาสตราจารย์คุณลันจวนอิระคำแพง เมื่อท่านมาท่านมาทํางานมาจนกระทั่งมาเป็นอาจารย์ของอาจารย์ประจําของรามกําแหงอาจารย์อาจารย์พิเศษของจุลาของธรรมศาสตร์ของประสานมิตรอะไ ร, ะไรต่างๆมาเป็นอาจารย์ประจําของไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอโรงเรียนเสนาธิการทหารบกผลที่สุดเมื่อท่านอายุห้าสิบปลายๆท่านลาออกทุกอย่างเลย งานทุกอย่างาท่านดาออกสมบัติของท่านทุกอย่างบ้านเรือนที่ดินอะไรต่ออะไรของท่านท่านมอบให้ตั้งเป็นกองทุนธรรมะสวัสดีคำว่าธรรมะสวัสดีก็เกิดขึ้นมาจากคุณแม่ลันจวนเห็นไหมท่านออกมาอยู่วัดด้วยบนานาญของท่านอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนสมบัติพัสถานของท่านมากน้อยขนาดไหนตั้งมาเป็นกองทุนธรรมสวัสดีลิขสิทธิ์หนังสือที่ท่านเขียนมามกมายใจกองให้มอบให้เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนธรรมสวัสดีเพื่อการกุศลโดยตอนนั้นก็มีอ อ, อาจารย์อาจารย์อะไร อ, อท่านท่านอะไรแฟนพัญญาของท่านอาธรจันทวีมุเป็นรองประหลัดกระทรวงศึกษา แล้วก็เจ้าของคุณปานตาเจ้าของบริษัทไทยประสิทธิประกันชีวิตจำกัดอะลรเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลกองทุนอันนี้ก็ดูแลมาตลอดแั่เนี่ยท่านมาอยู่ด้วยบำนายของท่านและการปฏริบัติธรรมท่านปฏิพัติปฏิบัติอย่างจรงิงจังทางโลกท่านก็มีความสําเร็จทางธรรมก็ท่านมีความสําเร็รจจนมาถึงทางธรรมเนี่ยท่านเป็นบุคคลคนแรกของประเทศไทยที่สาประชาชาติยกย่อง ให้รางวัลเป็นสตรีดีเด่นทางพุทธศาสนาในประเทศไทยรางวัลของท่านมากไมา่ไกลกองจนในหมู่นักปฏิบัติธรรมทั่วไปยอมรับว่าคุณแม่รังจุ้ยและกำแพงคือแม่ทับทำฝ่ายหญิงเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้หญิงอย่างดีเลยสร้างกำลังจิตกานวยใจให้แก่ผู้หญิงได้อย่างดียิง่งพอท่านเสียไปทางลูกศิษย์ลูกหาทางองค์พันธีต่างๆก็มาขอขอว่าจะรักษากุฏิบ้านพักของท่านเนี่ย ให้เป็นที่ศึกษาอะไรมาของผู้คนอะไรตัวอะไรตัวมาก็าเอาได้ตัวมาจะ ส, าสํารถจัดส่วนนั้นได้อย่างไรพร้อมตอนนี้ก็ได้บริษัทแปอนพวกอาสมศิลนเนี่ยเป็นจิตอาสามาออกแบบให้บริษัทแอนนี่เขาก็เป็นผู้ออกแบบรัสภาในขณะนี้แล้วออกแบบของปตททุกแห่งของปตท ค, คือบริษัทแปอนเนี่ยเป็นผู้ออกแบบหมดเลยอาคารอาคารอะไหอจดหมายเหตุพุทธท่านก็ บริษัทเป็นเปผู้ออกแบบเขาก็ไปออกแบบเป็นจิตอาสาออกแบบไปก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอาคารเพิ่มอาคารอีกอาคารหนึ่งบ้านพักเนี่ยก็จะคงรูปแบบเดิมเพียงเพียงปรับปรุงว่าให้คนขึ้นมาศึกษาได้ว่าคุณแม่อยู่ยังไงกินข้าวยังไงปฏิบัติธรรมยังไงเขียนหนังสือยังไงมีอะไรชีวิตประ จ, จําวันของท่านเพราะก่อนที่เขาจะมา ออกแบบอันนี้เขาก็ไปดูบ้านคลิกลิปดูบ้านอินเทนาคารทีดูบ้านอะไรตัวอะไรทั่วโลกไปที่เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงทั่วเอทั้งโลกที่เขาเอาบ้านมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เขาก็ไปดูมาหมดแล้วจากนั้นก็มาเพิ่มอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารแสดงผลงานของคุณแม่เรว่าชีวิตโลกชีวิตธรรมจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงช่วงทางโลกกับช่วงทางธรรมแล้วก็มาอีก อีกอาคารหนึ่งจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะก็นี่แหละก็เป็นการออกแบบิพิพธภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นมาก็มีเจ้าของที่ดินซึ่อยู่ติดกับบ้านคุณแม่ลา น, นจวนเนี่ยยี่สิบไร่เขาก็บอกขายเราก็เลยซื้อมาซื้อมาก็เลยมีแนวคิดว่าอาถ้าแบบนี้เนี่ยเรามีที่ดินเพิ่มเนี่ยไอโซนนี้เนี่ยไอโซน สาสิไร่เนี่ยพราะมันมันก่อนที่จะซื้อยี่ยี่สิบไร่เนี่ยเขาให้มาสิบไร่อีกก็เลยโซนสามสิบไร่เนี่ยจะเป็นโซนธรรมะมาตาจะเป็นโซนสําหรับพวกผู้หญิงปฏิบัติธรรมที่เอาจริงเอาจังแต่โซนเก่าคือโซนที่ผู้หญิงอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นโซนที่ผู้หญิงไปอยู่ชั่วคราวหรือไปในงานกัดถิ่งงานภระป่างานอะไรตออะไรหรือไปเป็นกลุ่มพิธนะ อ่เป็นชั่วคาวอะไรตัวอะไรก็ไปอยู่ไป้นี่คืจะแบ่งแยกกันเลยก็เลยก็เลยคิดว่าออกพรรษาปีใหม่นี้หลังจากปีใหม่หลังจากปีใหม่แล้วคิดว่าจะสร้างถนนรอบวัดซะ ก, ก่อนเพราะกำแพงเป็นเสร็จแล้วก็จะสร้างถนนรอบวัดแล้วจากการสร้างถนนรอบวัดแล้วเราก็จะมาทําเน้นจุดนี้แหละซึ่งขนาดนี้เราก็ได้พวก อ่าพวกตัวตั้งตัวตีเจ้าภาพหลักอะไรต่ออะไรมาเนี่ยที่เขาแสดงจุด ป, ประสงค์มาเนี่ยก็คือได้ได้คุณแดงคุณแดงที่เขาเป็นเจ้าภาพสร้างพระทองคำห้าสิบสองกิโลเนี่ยแล้วก็คุณหญิงจํานำ农สีรัตนินแล้วก็คุณเมตตาอมรินเจ้าของอมรินบุกเซนเตอร์แล้วก็คุณประไพศรีเจ้าของอบริษัทไทยวาจำกัดเนี่ยไทยว้าพุกจำกัด แล้วก็โยมวันลีส่วนปกรณนะ์อะไรพวกนี้ยพวกนี้จะเป็นตัวหลักเพราะพวกนี้คุกขี่อยู่กับคุณแม่ลันจวนมาตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าป่าหนองไัยก็คิดว่าก็คงจะได้สร้างหลังปีใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นดีเห็นชอบว่ามาสนับสนุนกลุ่มธรรมะมาตาว่าคําพูดของคุณแม่ท่านพูดว่าผู้หญิงสอนผู้หญิงนี้ย่อมเข้าถึงยิ่งกว่าผู้ชายสอนผู้หญิง การแสดงธรรมมาวันนี้ก็หวังใจว่าทุกท่านคงจะฟังแล้วเข้าใจน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองให้ความสําคัญจะต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งเพราะชีวิตของพวกเราจะมีคุณค่าขึ้นมาเพราะจิตนั้นมีหลักยึดถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้วเนี่ยมันจะเล่ย่อนวุ่นวายไปอยู่ตลอดเวลายิ่งไปกระทบสัมผัสกับสิ่งที่เป็นภยัยเป็นอันตรายในชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ย ยิ่งครอบงำใหญ่โตมาเห็นบางบางคนนี่เห็นแล้วเนี่ยก็มองเห็นแล้วน่าสวดสังเวชเนี่ยมีมีเร็วๆนี้เนี่ยก็ลงมาเนี่ยเขาก็อยากจะพ่ออยากจะเอามาพบอยากเอามาพบมาอะไรต่ออะไรบอกโอ้มไม่ได้หรอมีเวลาช่วงประเดี๋ยวปเดวอะไรต่ออะไรมาเนี่ยคือพ่อก็เป็นคนหลักคนผู้หลักผู้ใหญ่แต่มั่วทําแต่งานการอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลา ก็ลูกสาวลูกสาวก็โตเป็นสาวก็ไปชอบกับผู้หญิงไปชอบกับผู้หญิงไปมาผู้หญิงมันทิ้งไปมีสามีไปผู้มีชอบผู้ชายไอ้นี่ก็โอ้โหแอบฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาเลยเนะนี่ยเนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีหลักยึดเลยก็บอกเขาบอกมาพูดแบบนี้บอกโอ้โหคนเรามันฉลาดหรือมันโง่เขาเขาทิ้งเราเถอาเขาทำร้ายเราแ ล, แล้วเรายังต้องทำร้ า, ายเราตึมออกไปอีกเหรอมันโง่หรือมันฉลาดเนี่ย ใช่ไหมล่ะมันก็มาตบหน้าเราแล้วเราจะต้องตบหน้าเราอีกเหรอเฮ้อทาไมไอ้แค่นี้มันไม่รู้จักคิดใช่ไหมคนเราเป็นอยากรูเพราะไอ้ไอ้เขาถูกเขาทิ้งเนี่ยแต่แบบนี้ยคนทั้งโลกก็ทุกข์หมดแล้วคนที่เขาทิ้งมากไหมไก่กองเห็นเขายิ้มย้มเแบบิกบานผ่องใสเฮ้ยทํามึงไม่ทิ้งกูกูกะตั้งใจจะทิงมึงก็แล้วใช่ไหมล่ะเออคิดนะมันดีก็ไปนี่งไงเออมันคิดหน้าดีนะจาจะต้องไปคิดมันจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมเนี่ยเนี่ยเพราะจิตมันไม่มีหลักยึดไง ถ้าจิตไม่มีหลักยึดเราโหมันมันเวลาประสบสัมผัสอะไรมันหาทางออกไม่เจอเนอะมันจะจมลงไปในกองทุกข์จนหาทางออกไม่เจอเลยไอเนี่ยมันอันตรายที่สุดเลยเหมือนคนลงเรือคนลงเรือเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ป้องกันอะไรเลยถึงแม้อยู่ในเรืออย่าไปคิดว่ามันปลอดภัยมีโอกาสที่จะตกน้ําตกท่าไปตกน้ําตกท่าโหไม่มีคิวชีพเก่อไปเนี่ยกว่าจะจมน้ำตายมันลนลนทุนุนทุลายทุกขนาดไหนกว่าจะตายอะ่ะใช่ไหม แต่ถ้ามีชูชีพเกาะซะโอ้โหตกหน้ำก็ตกสิมีชูชีพเกาะได้สบายเลยชีวิตของพวกเราเหมือนกันแม้เราจะดําเนินชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเน่ยฉันก็ไม่เห็นไปเดือดร้อนฉันไม่เห็นไปทุขขกข์ครอบครัวฉันอยู่มีความสมบูรณ์ฐานะฉันก็มียศฐามบรรดาศักดิ์ฉันก็มากมายไก่กองฉันไม่เห็นต้องไปเดือดร้อนก็เหมือนอย่างเราอยู่ในเรืออยนี้ก็ฉันอยู่ในเรือทำไมเดือดร้ํนมาเลยเราไรตบะแต่อย่าลืมนะวันหนึ่งอาจจะมีสิ่งใดมาสัมผัสมาครอมงำเราที่มันเหมือนตกน้ําตกท่าก็ได้ ถ้าจิตไม่มีหลักยึดแล้ว โ, โหยกว่าจะดิ้นลนทุลุนทุนทรายกว่ามันจะจมน้ําตายเนโอโ้ทุกแสทุกอันนี้อย่าพาเป็นประมาทนอนใจขอเตือนทุกคนไว้รีบเรี่ยงสร้างสร้างหลักยึดขึ้นมาเพราะเราลงเรือคือชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยใช่ไหมให้มีชูชีพเกาะไว้ใส่ไว้ให้แน่นเลยชูชีพนี้ก็คือหลักธรรม หลักทําเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเราเองนั่นแหละหยิบยื่นให้แก่กันไม่ได้เลยเงินทองยศถาบรนดาศักดิ์หยิบยื่นให้แก่กันได้แต่ธรรมะหยิบยื่นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากอัตตาอิอตุ น, โนาโถต้นและเป็นที่พึ่งของตนก็ข อ, อาฝากทุกท่านทุกคนนําไปประพฤติปฏิบัติอย่างนี้น้อยก็ก่อนหลับก่อ น, นอนอย่างที่ว่าเราก็จะค่อยๆสะสมรักเกลียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อไปจะมีหลักที่แน่นหนามั่นคงอย่างแน่นอนอ่ะจะอนุโมทนาให้พร น, นะ